าา ก, าการให้สติวินัยที่ชอบธรรม5อย่างภิกษุทั้งหลายการให้สติวินัยที่ชอบธรรมมี5อย่างนี้คือ 1. ภิกษุเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องอาบัติ 2. ผู้อื่นโจทย์พิสุนั้น 3. ภิกษุนั้นขอ 4. สงให้สติวินัยแก่ภิกษุนั้น 5. สงสงพร้อมเพรียงกันโดยทรรมให้ภิกษุทั้งหลายการให้สติวินัยที่ชอบท ร, ร ม, มีห้าอย่างนี้แหละสติวินัยจบ